Copyright g o e l a g München Book <two. S 2> คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่ง it คนแถวสูงเนะดีฉันใหญ่ดีฉันและคุณ ยัโอ้ทูเราทั้งสองวิทูเขาแอนเขาและเธอแฮนโอ้ฮุนเขาทั้งสองดีทูผู้ชายแมนน์ ผู้หญิงเด็กบานนทครอบครัว in family ครอบครัวของดิฉัน in family ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ in f a m i l ดิฉันอยู่ที่นี่ I ้ายแอร์เฮคุณอยู่ที่นี่ Du แอร์เฮ e ยเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ฮันแอร์ e r ียร์และฮุ h แอรเราอยู่ที่นี่ w ีแอร์เฮียร คุณอยู่ที่นี่ <are> พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ Die